คนนะก็ประกอบไปด้วยกายกับใจกายนี่มันก็มีสองสภาวะใหญ่ๆนะคือตื่นกับหลับใจเราก็เหมือนกันนะมีสองสภาวะใหญ่ๆคือรู้กับหลงรู้นี่คือรู้ตัวหลงก็คือว่าไหลเข้าไปในความคิดหรือว่าจมอยู่ในอารมณ์คนเราเนี่ยร่างกายมันตื่นมากกว่หลับนะวันนึงเราจะหลับสักเจ็ดชั่วโมงแต่ว่าเราตื่นสัก1ิบ6ชั่วโมงหรือ17ชั่วโมง ตรงข้าก็ใจนะใจนี่มันหลงนะมากกวรู้ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยสังเกตรหรอกแต่พอเริ่มมาสังเกตดูใจของตัวก็จะพบนะว่ามันหลงมากก่รู้อาจจะหลงสัก90้าสิซในยามที่ตื่นอาจจะมีแค่ส0นั่นแหละที่รู้ตัวโีเฉพาะเวลาตื่นนะไม่นับเวลาหลับนะเวลาหลับนี่ก็เรียกว่าถ้าจะหลงเต็มร้อยเนี่ยตื่นกับหลับเนี่ยมันก็สลับกันนะ ตื่อแล้วก็หลับตื่อนี่ก็สิบเชั่วโมงแล้วถึงค่อยหลับแต่รู้ก็หลงนี่มันสลับกันถี่ยิบเลยรู้ไปเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็หลงหลงไปสักพักก็รู้แล้วก็รู้ไม่กี่ขณะก็หลงมันไม่ได้เป็นท่อนๆ อ, อย่างตื่นกับหลับเนี่ยวันทั้งวัน2ีชั่วโมงก็มีแค่สท่อนสองสภาวะตื่นกับหลับช่วงที่ตื่นเราก็ไม่ค่อยหลับ ยกเว้นบางคนบางขณะจะให้หลับก็ไม่หลับนะแต่ถึงเวลาจะหลับก็หลับพอหลับแล้วจะให้ตื่นนี่มันก็อาจจะยากมันง่วงเงียงไม่เหมือนกับเวลาหลงนะหลงที่มันหลงยาวแล้วถึงแม้จะกลับมารู้มันก็รู้ไปเดี๋ยวเดียวแล้วก็หลงใหม่ มันไม่ใช่ว่ารู้เต็มที่แล้วถึงค่อยมาหลงเหมือนกับตื่นเต็มที่แล้วค่อยหลับนั่นไม่ใช่แล้วที่สมัยยายามนี่คือว่าไอ้หลับนี่มีประโยชน์นะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคนเราถ้าตื่นสถานเดียวไม่หลับเลยนี่แย่นะมีบางคนพยายามที่จะไม่หลับผ่านไปเจ็สิบสองชั่วโมงหรือบางทีแค่สีสแปดชั่วโมงนี่ก็ไม่ไหวแนละ้ว เพราะร่างกายต้องการหลับเพื่อฟื้นนะพลังตรงเข้าขความหลงนะไอ้หลงเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีประโยชน์นะหรือไม่มีประโยชน์เลยก็ว่าได้มันมีแต่จะเกิดโทษนะเพราะคนเราพอหลงแล้วมันก็ตามไปด้วยความทุกข์ทุกคนเดียวไม่พอสร้างคนอื่นทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ด้ยวย เพนเวลาที่หลงนี่ก็หมายความว่าเป็นเวลาที่พลัดอยู่ในความโกรธความโศก ค, ความเศร้าความเครียดความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านนะความหลงตัวลืมตนความโลภมันละ้วนแต่ไม่ดีนะหลับนี่มีประโยชน์ถ้าหลับพอประมาณไม่หลับเลยนี่ไม่ได้ร่างกายแย่สุขภาพเสื่อมโทร แต่ตรงข้ามนะความหลงนี่มันบั่นทอนจิตใจมากเลยถ้าเราปล่อยให้ใจนี่ถูกข้อบงาด้วยความหลงนี่แย่เลยที่พาเราเข้าลกเข้าพงไปเลยคนที่หลงมากๆเนี่ยบางทีถึงกับทำร้ายตัวเองเพราะว่าถูกโรคซึมเศร้า ถูกความน้อยเลือดต่ำใจถูกความเครียดความโกรธมันชักพาให้ตัวเองไม่เพียงทำร้ายตัวเองที่ทำร้ายคนอื่นด้วยและเนี่ยสหรับคนที่ประสงค์ชีวิตที่ผาสุขจเจริญงอกงามหรือว่าเฟือเฟือเกิด ก, ก, ก, กูลชีวิตที่ดีงามพูดง่าย มันต้องพยายามเติมความรู้สึกตัวหรือเพิ่มตัวรู้ให้มากขึ้นเรื่อยๆและยังสามารถทำให้แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะมีความรู้ตัวมากกว่าความหลงอันนี้มันจะเป็นสิ่งวิเศษมากเลย แล้วในเดีวยวกันเนี่ยถ้าว่าเราพยายามทําให้ความหลงมันหายไปคิดเราก็จะผ่องใสเบิกบานแต่การที่จะทําให้ความหลงมันหายไปหรือลดน้อยถอยลงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรกับมันเลยนะเราไม่ต้องทําอะไรกับความหลงนั้นเลยเราเพียงแต่เติม ตัวรู้หรือเพิ่มความรู้สึกตัวเข้าเข้าไปไอความรู้สึกตัวเนี่ยหรือตัวรู้เนี่ยมันก็จะไปเดียดไปขับจัดการกับความหลงนะให้มันลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะนะหลายคนเนี่ย รู้ว่าความหลงไม่ดีแต่ก็พยายามที่จะบังคับจิตเพื่อไม่ให้หลงเข้าไปในความคิดไม่ให้หลงเข้าไปในอารมณ์บุตสามาฝึกจิตเพื่อบังคับจิตไม่ให้มันคิดฟุ้งซ่านเพราะไม่งั้นเนี่ยความหลงมันก็จ ะ, ะเกิดขึ้นในจิตใจจริงๆเราไม่ต้องทำถึงขนาด น, นั้น ไม่ต้องบังคับจิตเพื่อให้หยุดคิดเพื่อไม่ให้จิตนี่หลงเข้าไปในความคิดหรือหลงเข้าไปในอารมณ์รอเพียงแต่ทำความสุขตัวให้เกิดขึ้นแล้วความสุขตัวเนี่ยก็จะไปจัดการกับความหลงเองเหมือนกับน้ำเน่าน้ำเสียเนี่ยนะ เราอยากจะกำจัดหลายคนก็คิดถึงการวิทยนะวิทย์น้ำวิทน้ำเสีย น, นี่นะโอ้มันเหนื่อยนะที่จริงมันมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะคือปล่อยน้ำดีเข้าไปน้ำดีมันก็จะไปขับไล่น้ำเสียออกไปเองการกำจัดความหลงเนี่ย เราไม่ต้องลงมือทำอะไรกับความหลงนั้นเลยเราเพียงแต่เติมหรือเพิ่มความรู้สึกตัวหรือทาความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นในใจอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะเพราะว่าหลายคนก็ยังเข้าใจว่าเนี่ยจะต้องกำจัดความหลงให้ออกไปจากจิตใจทำให้มันไม่ ไหลเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์เพราะฉะนั้นก็จะคิดถึงเรื่องการบังคับจิตแต่ยิ่งบังคับจิตเนี่ยก็ยิ่งผิดหวังและเกิดความท้อแท้หรือว่าเกิดความหงุดหงิดเกิดโทสะเพราะว่าันบังคับไม่ได้จิตเนี่ย มันมีวิธีที่ดีกว่าคือการทำให้ความสึกตัวเกิดขึ้นในใจของเราแท น, นที่จะบังคับจิตไม่ให้คิดไม่ให้ไหลเข้าไปในอารมณ์อ่ะเราก็ในเรื่องการกลับมารู้สึกตัวสลวงพอมเขียนท่านพูดว่าเนี่ยการภาวนาเนี่ยมันเก่งตรงที่กลับมารู้สึกตัว ประโยชน์นี่สําคัญนะเพราะว่าหลายคนไปคิดว่าความกล้าในาการปฏิบัติอยู่ที่การบังคับจิตไม่ให้ไม่ให้ไหลเข้าไปในความคิดบังคับจิตไม่ให้ส่งออกนอกนะบังคับจิตไม่ให้ไป น, นั่นเองเช่นเดีจิตมันอยู่กับลมหายใจก็บังคับจิตให้มันอยู่กับลมหายใจไม่ให้ไปไหนถ้าว่าเอาอารมณ์หรือเอา ท้องพองยุบเป็นนิมิตก็บังคับจิตให้อยู่ว่าท้องที่พองและยุบบังคับจิตไม่ให้มันไปไหนถ้าจิตมันไปก็รู้สึกว่าปฏิบัติไม่ก้าวหน้าหลายคนก็มีความทุกข์มากเลยนะว่าทำไมมันคิดมากหรือเกินมันทุ่งเยอะหรือเกินนี่พอไป ไปตั้งเป้าหรือไปวัดความก้าวหน้าความสำเร็จที่การบังคับจิตให้มันนิ่งไม่ให้ไปไหนแต่จริงแล้วเนี่ยการพาจิตกลับมารู้สึกตัวบ่อยๆต่างหากนะที่มันเป็นสิ่งที่จะชี้วัดความก้าวหน้าหมายความว่าคิดมากหรือมีความคิดเกิดขึ้นเยอะไม่เป็นไร แต่ให้กลับมารู้สึกตัวบ่อยๆหรือว่ากลับมารู้สึกตัวให้ไวขึ้นไวขึ้นหลวงพ่อเชื่อนก็ย้ำอยู่เสมอนะว่าอย่าไปห้ามคิดอย่าไปห้ามคิดก็คืออย่าไปไปวัดกันที่ว่าบังคับจิตไม่ให้ไปนะแต่เราจะมาฝึกจิตให้มันกลับมากลับมารู้สึกตัวกลับมาอยู่กับกาย กลับมาอยู่กับกายที่กําลังเดินไม่ว่าจะเดินจงกรมหรือว่าเดินไปทําธุระกลัมาอยู่กับกายที่กําลังยกมือสร้างจังหวะอยู่สักพักเดี๋ยวมันก็ไปแล้วอไม่เป็นไรแต่ว่าให้มันกลับมามาพูดออย่างนึงคือว่าไปไม่ว่าให้กลับมาไวๆบางคนเนี่ยนะ ปฏิบัติธรรมด้วยการพยายามบังคับจิตไม่อยากให้มีความคิดบางอย่างหรืออารมณ์บางอย่างเกิดขึ้นพอมันมีความคิดที่เป็นลบความคิดที่เป็นอกุศลอารมณ์ที่เป็นอกุศลนี่ก็รู้สึกเป็นทุกข์มากเลยอันนี้แสดงว่าไม่เข้าใจความจริงของจิตนะว่ามันเป็นเหมือนที่โล่งที่ว่างที่ความคิดใดๆจะเกิดขึ้นก็ได้ พระเจ้าเคยเปรียบร่างกายเนี่ยว่าเหมือนกับศาลาริมทางศาลาที่พักริมทางเนี่ยมันก็จะมีคนนานาชนิดมาพักที่ศาลานั้นมีทั้งเศรษฐีมีทั้งขุนนางมีทั้งขับบดีมีวันนิพกมีพระสงฆ์มีนักบวชมีผู้ร้ายมีผู้หญิงผู้ชายมีคนแข็งแรงมีคนเจ็บป่วย โปรงตัดอย่างนี้เพื่อบอกว่าเนี่ยร่างกายนี้มันพร้อมจะมีทุกขเวทนานาน า, นาชนิดพร้อมจะมีเวทนานาชนิดเกิดขึ้นเมื่อจะเป็นสุ ข, ขเวทนาทุกเวทนาความสุขร้อนอ่อนแข็งปวดเมือ่อยสบายสุขนะหรือเฉยๆใจเราก็เหมือนกันนะมันก็เหมือนกันกบสาราลิมทางนะ ที่มันจะมีคนนานาชนิดมามาใช้มาพักมีทั้งคนดีคนร้ายนมีทั้งนักบวชมีทั้งเด็กที่ไร้เดียงสาก็หมายความว่ามันสามารถจะมีอารมณ์หรือความคิดทุกชนิดหรือนานาชนิดเกิดขึ้นได้ในใจเนี่ยห้ามไม่ได้ งั้นถ้าเราพยายามบังคับจิตไม่ให้มีความคิดหรืออารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็จะผิดหวังเราต้องเริ่มต้นจากการยอมรับความจริงว่ามันมันสามารถจะมีความโกรธความเกลียดความอิจฉาพยาบาทความความคิดที่ไม่ดีเห็นแก่ตัวจ่วงจาบคูบาาจารย์ผุดขึ้นมาเราปฏิเสธไม่ได้ เมื่อกิดขึ้นเราก็ยอมรับยอมรับและแทนที่จะผักสายมันนะเราก็เพียงแค่ให้มีความสึกตัวแล้วก็รู้ทันอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเนี่ยนะเราบังคับไม่ได้บังคับจิตไม่ให้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นเราบังคับไม่ได้แต่ว่าเราทําได้ดีกว่านั้นคือเรารู้ทันมัน จะทำไม่ได้เราต้องยอมนะต้องยอมให้มีความคิดละอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นยอมให้มันเกิดขึ้นไม่ใช่พยายามกดข่มผักสามันหรือพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดไม่ให้มีอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องยากนะเพราะหลายคนนี่ก็มีความมีความ มีความคิดว่าเนี่ยอะไรที่ไม่ชอบเราต้องจัดการกับมันเริ่มจากการบังคับไม่ให้มันเกิดขึ้นปิดช่องไม่ให้มันเกิดขึ้ น, นเราไปถนัดเรื่องการจัดการกับสิ่งต่างๆสิ่งภายนอกแล้วเราคิดว่าเราจะจัดการใช้วิธีการจัดการแบบเดียวกันกับใจของเราแต่ใจเนี่ยมัน เป็นสิ่งที่จัดการได้ยากเพราะมันไม่อยู่ในอำนาจของเรามันพร้อมจะมีความคิดอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องหัวเสียไปกับการที่มีอารมณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นแค่เพียงแต่ยอมรับอนุญาตให้มันเกิดขึ้นแล้วก็รู้ทันนั้นในการรู้ทันเนี่ยเราก็ต้องเปิดโอกาสให้สติทำงานสติทำหน้าที่รู้ทัน เราต้องให้โอกาสสติในการทำงานทำหน้าที่มารู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์แต่บางคนใจร้อนนะเห็นว่าสตินี่มันมาช้ารู้ทันช้าหรือเกินคิดไปยืดยาวหลายเรื่องหลายเราเพิ่งมารู้ว่าเผลอคิดไปก็เลยพยายามที่ไปดักจ้องความคิดไปดักจ้องอารมณ์ ทำแบบนี้บ่อยๆมันก็หรือทำแบบนี้นานๆก็เครียดนะแล้วก็ไม่ไม่เป็นอันทำอะไรเลยเดินจงกรมเนี่ยแทนที่จะมีสติรู้กายก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าจิตมันเป็นดักพะไปดักจ้องความคิดวันทีขับรถเนี่ยขับรถแทนที่จะรู้มองไปข้างหน้าว่าถนนโลกไม่มีรถหรือเปล่าเนี่ยกับดักจ้องความคิด อยากจะขับรถให้มีสติแต่ว่าไม่เข้าใจการขาับรถมีสติเป็นอย่างไรก็ไปเอา ด, ดักจ้องความคิดข้ามถนนก็ไปดักจ้องความคิดแทนที่จ ะ, เ, ะเดินด้วยความสึกตัวรู้ว่าแน่ใจว่าถนนโป่งโล่งปลอดภัยหรือเปล่าหรือเวลาเดินจงกรมสร้างจังหวะในปฏิบัติก็พยายามดักจ้องความคิดไม่ให้ความคิดเป็นออกมาออกมาเมื่อไหร่ฉันจะจัดการกับมัน อันนี้เรียกว่าทําเกินหน้าที่นะหรือว่าไปแย่งงานสติทำนะเราต้อง อ, อนุญาตนะต้องยอมให้ให้โอกาสกับสติได้เขาได้ทํางานอาจจะช้าแต่ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเขาจะทำงานได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเหมือนกับเรามีลูกนะก็ต้องให้โอกาสเขาล้างจานทําความสะอาดเช็ดถูบ้าน ใหม่ๆก็ไม่สะอาดนะแต่เราก็ให้โอกาสเขาต่อไปเขาจะทำได้ดีขึ้นดีขึ้นแล้วเขาก็จะทาแทนเราเราก็จะไม่เหนื่อยในการเจริญสติเนี่ยนะเราต้องต้องวางท่าทีนะในจิตใจของเราให้ถูกหรือวางใจให้เป็นนั่นคือว่าอ น, นุญาตให้ความคิดหรืออารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นได้แล้วก็ยอมที่ยอมรับ ที่ใจมันจะไหลไปโน่นไหลไปนี่ทะเลถลายออกไปแต่ชินม้ายคือว่าเราฝึกให้ใจกลับมารู้เนื้อรู้ตัวฝึกให้ใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวหรือพือ้นฐานก็คือว่าเป็นการเติมความสึกตัวให้เกิดขึ้นในใจมันจะหลงไปยังไงก็ช่างมัน เราไม่ลองไปจัด ก, การความหลงเราเพียงแต่ให้ความรู้สึกตัวเกิดขึ้นแล้วความรู้สึกตัวก็จะกลับแล้วความความรู้สึกตัวก็จะจัดการความหลงเองนั่นจะหลงไปอย่างไรนะก็ให้กลับมารู้สึกตัวบ่อยๆกลับมารู้สึกตัวการที่กลับมารู้สึกตัวได้ก็พราอมีสตินะที่รู้ทันความพิรุธอารมณ์ที่มันพาจิตไหลไป พอมีสติปุ๊บนี่สติมก็พาจิตกลับมากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมารู้สึกตัวด้านการที่ฝึกใจให้อยู่กับกายนะแต่ไม่ใช่บังคับจิตให้มันแน่นิ่งแนบแน่นอยู่กับกายให้แค่ให้แค่เขาอยู่กับเนื้อกับตัวให้เขแค่เขามารู้กายจึงเป็นสิ่งสําคัญมากให้มารู้กาย การที่มารู้กายเนี่ยนะเพื่อให้จิตเนี่ยมันมีที่เกาะเพราะถ้าไม่มีกายเป็นที่เกาะเนี่ยนะมันก็จะพุ่งซ่านได้ง่ายมันก็จะเทเลทลายได้ง่ายมันต้องมีเครื่องอยู่นะกายเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของใจเพราะนั่นการจุลสติแม้เราจะเน้นให้มารู้ทันความคิดนและอารมณ์เนี่ยนะแต่ว่า การฝึกเบื้องต้นและจริงก็เป็นการปฏิบัติในลำดับต่อๆไปก็ต้องมาใสในการมีสติรู้กายรู้สึกตัวว่ากายทำอะไรรู้สึกเมื่อกายเดินรู้สึกเมื่อเท้าขยับเมื่อมือเคื่อน <c oughs> เวลาอยู่นิ่งๆก็คลึงนิ้วนะพะถ้าไม่ไม่ทำอย่างงั้นจิตมันก็จะไหลลอยไป นะฟุ้งซ่านได้ง่ายเราไม่ปฏิเสธการที่จิตฟุงนะ้งซ่านนแต่เราก็ไม่พยายามที่จะส่งเสริมให้มันฟุง้งซ่านเราก็หากายให้เป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นที่เกาะแลวการที่มารู้กายเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องชี้วัดว่าตอนนี้เรามีความสึกตัวหรือเปล่าเพราะถ้ากายอยู่กันเนกับตัวเนี่ยมันก็จะรู้ว่ากายทำอะไรเกิดความรู้สึกที่กาย ก็แสดงว่านะมีความรู้สึกตัวนะมันเป็นตัวบ่งชี้ได้เมื่อเรารู้สึกถึงกายรู้ว่ากายทำอะไรอันนี้ก็เป็นเครื่องบ่งชี้เรามีความรู้สึกตัวเพราะบางคนก็สงสัยว่าฉันรู้สึกตัวอยู่หรือเปล่ารู้สึกตัวอยู่หรือเปล่ามันารู้ว่ากายทาอะไรนั่นแหละรู้สึกตัวแล้วมันมันไม่มีคำถามแลวต่อไปความรู้สึกทางกายเนี่ยมันจะไปเป็นเป็นเครื่องช่วยดึงจิตนะ ให้กลับมารู้เนรู้ตัวได้เวลาใจมันลอยฟุ้งซ่านแล้วมารู้สึกว่ามือกําลังขยับท้องเท้ากำลังขยื่นหรือนิ้วกําลังคลึงอยู่เนี่ยในความรู้สึกทางกายนี่มันเกิดเป็นเหมือนสิ่งที่คอสะกิดใจที่ไหลลอยให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมารู้สึกตัวและพอจิตกลับมารู้สึกตัวแล้วเนี่ยมันก็จะจัดการความหลงเองงั้นความหลงนี่มันจะหายไปนะเมื่อ ใจนี่กลับมารู้สึกตัวบ่อยๆให้เราฝึกทําแบบนี้แหละนะทำไปเรื่อยๆโดยที่นะไม่ต้องพยายามบังคับจิตนะไม่พยายามบังคับจิตแล้วก็ไม่ค่อยไม่ต้องดักต้องความคิดโลนท์าไม่ต้องกดข่มอารมณ์ไอ้สสิ่งเนี่ยคือสิ่งที่นักปฏิบัติจำนวนมากเนี่ยเผลอพลาดพยายามบังคับจิต นะพราะทนากับการพราะคุ้นกับการบังคับอะไรต่ออะไรมากมายคุ้นกับการจัดการกับสิ่งภายนอกก็เลยคิดว่าจะมาจัดการกับใจของตัวเองเวลาปฏิบัตินอกจากฝึกใจไม่ให้บังคับจิตนะแต่ว่าอนุญาตให้มันมีความคิดมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกเป็นกลางต่ออารมณ์เหล่านั้นวางความชอบความชังลง นะเพราะถ้ามีความชั่งเมื่อไหลมันก็จะไปบังคับจิตไม่ให้มีความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นไม่ให้มีความโกรธความเกลียดเกิดขึ้นนอกจากไ ม, ไมบังคับจิตแล้วก็ไม่ดักจ้องมองดักจ้องมองความคิดและอารมณ์ให้สติเขาได้ทำงานของเขาให้โอกาสสติเขาทางานเราไม่ต้องทำแทนเขาแล้วพอรู้วมมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นนะก็เพียงศัแต่ว่ารู้สื่ อ, อนะ รู้สื่อื่อวางใจเป็นอุเบกขาไม่ต้องไปกดข่มผักซ้ายหรือก็ไม่ต้องไปไหลาตามอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นมากสำับการเจริญสติการทำความรู้สึกตัวและการรู้ธรรมนะที่สําคัญหรือธรรมะเบื้องสูงซึ่งมันเป็นสิ่งที่3อย่างนี้เป็นสิ่งที่มันทวนกระแส นิสัยความเคยชินเดิมๆที่ชอบบังคับจิตที่ชอบไปดักต้องมองจิตมองอารมณ์แล้วก็ชอบไปกดข่มสิ่งที่ไม่อารมณ์ความคิดที่ไม่ชอบในการที่จะต้องการที่จะฝึกใจให้ไม่พลัดเข้าไปในะนิสัยแบบนี้เนี่ยมันต้องอาศัยการสร้างนิสัยใหม่นิสัยที่อนุญาตให้ความคิดและอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ให้รู้จักเห็นไม่เข้าไปเป็น รู้ซื่อสื่อรู้เฉยเฉให้โอกาสสติเขาได้ทำงานไม่ต้องไปทำงานแทนเขาแล้อย่างนี้หลยนะกักวิธทำให้ ส, สติเจริญก้าวหน้าและความสึกตัวก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นจนสามารถที่จะขับไล่ความหลงออกไปจากใจและมีความสึกตัวมาแทนที่มากกว่าความหลง